ว่าดีเรื่องทุดงสิบสามประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าทุดงเสียก่อนคำว่าทุดงเป็นชื่อของจริยวัรพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องอเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของพิสุผู้แสวงหา อาโมกธรรมเพื่อความมักน้อยสันโดษนะเพื่อความมักน้อยสันโดษฉะนั้นอันนี้เราก็มักจะได้ยินกันทั่วๆไปนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคำว่าทุ ด, ดงคำว่าทุดดงจริงๆเนี่ยแปลว่าการขัดเกลากิเลสนะขัดเกลากิเลส <c oughs> คือบัญญัติขึ้นด้วยหมายจะให้เป็นอุบาย ที่จะเป็นเครื่องบรรเทากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดและให้เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษท่านจําแนกออกเป็นสิบสามอย่างจัดเป็นสี่หมวดคือหนึ่งหมวดที่หนึ่งก็คือปฏิสังยุตด้วยจีวรไปสังยุตด้วยจีวรก็คือหนึ่งปังสุกูลิกังคะถือทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัด อันนี้ก็หมายความว่าปังสุกุลิกังคะนะปังสุกุลิกังคะเนี่ยมันมีศัพท์อยู่ว่าปังสุผ้าปังสุกูุสุกุละนะแล้วก็อีกกังคะอนะปังสุนี่แปลว่าฝุ่นนะปังสุนี่แปลว่าฝุนนะ่นผ้าคลุบฝุ่นว่างั้นเถอะ แต่ว่าเราโดยมากมักจะพูดกันว่าบางส ก, กุลจริงๆว่าบังปังสุกุลละนะปังสุกุลละนปังสุกุลิกังคะพิสุผู้ถือบางสกุลอถือผ้าบางสกุลทุ ด, ดงเป็นวัดคือไม่ไม่รับจีวรจากเครือายบดีหรือใครที่เอามาถวายที่แสวงหาผ้าบางสกุลนะเอามาเอามาทําเป็นจีวรใช้ ถือผ้าบางสุกุลจีวรจัดเป็นสามประเภทคือผู้ถืออย่างเคร่งครัดก็เที่ยวเลือกเก็บผ้าบางสุกุลแท้ๆที่เขาทิ้งเกลือกล้วอยู่ตามฝุ่นก็เก็บเอามาทมจีวร อ, อันนี้แหละในสมัยพุทธกาลจะมีมากนะเรียกว่าจะได้จีวรหอมเป็นไตรเนี้ยไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยนะไม่ใช่ได้ง่ายจะต้องไปเที่ยวตำดงตำป่าตำป่าช้า งานะที่เขาห่อซากศพเอาไปทิ้งไว้นี่บางครั้งก็อซ า, ากศพนั้นมันก็จะเน่าหมดแล้วผ้าก็จะผุพังไปนะเดีไม่ดีก็จะต้องไปแย่งอกับศพที่ยังห่อพันเป็นน้าเลือดน้ําเหลืองอยู่อีกนะก็ต้องเอามาซักเอามาเย็บเอามาย้อมนะเนี่ยรู้สึกว่าลำบากมากนะลําบากมากสมัยนี้สบายนะสมัยนี้สบายโยมเอาไปพัดพาดไว้ก็ ไปพาดปากโลงไว้ก็เอาแล้วอันนีจาวตัตสังคาราได้แล้วหรือบางทีก็ไปภาคไปพาดทับสายศีลไว้ไกลกับซากศพหลายเท่าเลยนะเราก็สบายอันนีจาวตัตสังขารานี่เดี๋ยวนี้สบายผ้าบางสุกุลไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องก็ต้องมาเย็บมาย้อมอีกนะ <Stevie S 1> เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้ไ ม, นไม่ต้องสบายได้มาแล้วก็ห่หมได้เลยนะบางทีถวายหเดียวนั้นก็หอมเดียวนั้น แล้วประเภทที่สองนะประเภทที่สองเรียกว่าถืออย่าง ก, งกลางๆงอย่าง ก, งกลางกงก็คือว่า เ, อาเก็บเอาผ้าที่เขานำมาที่เขาปรารถนาจะมาทำบุญมาทอดไว้เพื่อวิสุขผู้ถือธุดงแต่ก็มีได้นิยมเฉพาะารูปหนึ่งรูปใดอันนี้ก็หมายความว่า หมีญาติโยมที่เขาปรารถนาจะเอาผ้าเนี่ยมาถวายกับพิสูุผู้ถือทุดงหรือว่าเดินธุดงก็นําเอามาวางไว้ข้างหน้าหรือมาทอดวางไว้ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้ปรารถนาจะเจาะจงรูปนั้นรูปนี้ผู้ใดผ่านมาก็อนิมนต์พิจารณาเอาได้น่ะเลือกเอาตามอัธยาศัยน่ะแต่ของเรานี่ก็เจาะจงกันเลยใช่ละนะเอาเลยองค์นั้นองค์นี้ไปเลยสะดวกสบายอันนี้มันก็เป็นไปตามการ รัสมัยนะไปตามการสมัยแล้วก็พูดถืออย่างอ่อนๆ น, นะอย่างอ่อนๆไม่ไม่แข็งนะักก็คือถือเอาผ้าที่เขานิยมนำมาถวายเพื่อตนนะเช่นพวกผ้าปลาที่เขานำมาทอดเอาไว้เฉพาะหน้านะนนี้พวกเราในปัจจุบันนี้ก็ทำกันเป็นจำนวนมากนะอันนี้ถือว่ายังอ่อนที่สุดนะยางอ่อนที่สุด อันหนึ่งการถือทุดงนี้ย่อมสําเร็จด้วยการสมาทานคืออธิษฐานใจนะอธิษฐานใจหรือก็เปล่งวาจานะเปล่งวาจาข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คําสมาทานสําหรับอ่าสำหรับอ า, บอาปังสุกุลิกังฆาธุดงนี้อ่าฆาปฏิจิวาจิวังนะคำอธิษฐานก็คือว่า ขหปติจีวรังอปติกขามิปังสุกูลิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดรับขรหบดีจีวรเสียสมาฐานองค์ของอผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดขหปฏิจีวรังปฏิขิปามิปังสุกูลิกังคังสมาธิยามิพูดเป็นไทยก็คือว่าเราจะไม่รับจีวรที่เขามาถวายนะ เราจะใช้เฉพาะที่จีวรที่คอซากศพอยู่ตามในปัจช้าเท่านั้นนี่พูดง่ายๆมีแข่งคัดมากนะแข่คงคัดมากอันนี้ก็พระเทระสมัยก่อนก็มีพระมหากัดศพหรือพระมหากสปักถือว่าเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดนะเป็นวัดแข่งคัดมากมาในข้อที่สองเตจีวริกังคังเตจีวริกังคังนะ คือพิสู้อพูธดงไตรจีวรไอเตไอเตนี่หมายถึงว่าสามหมายถึงว่าไตรจีวรนี่ยพูดว่าไตรจีวรผ้าสามผืนพิสูพูรงไตรจีวรย่อมไม่ใช้จีวรผืนที่สี่นุ่งหมเฉพาะจีวร อ, อันเป็นผ้าติฐานเท่านั้นคือถือเอาผ้าสามผืนแค่นั้นเอง เ, เ, เรียกว่าเตจีวริกังคังในถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัดคือหมายถึงว่าถือผ้าสามผืน คือผ้าสามผืนนอกจากนั้นไม่เอาผืนที่สี่ไม่เอาอันนี้ท่านผู้ฟังหรือนักเรียนนักศึกษาก็คงจะแปลกใจเมื่อมีผ้าสามผืนน้วจะทำยังไงจะอาบน้าทีอะไรทิ้งจะทำยังไงอันนี้ก็คือสมัยก่อนนะั้นรู้สึกว่ า, าพระท่านก็จะมุ่งในการทําความเพียรอยู่ป่าเป็นวัด mm hmm. เวลาจะอาบน้ำทีงก็ นอกจากเอาผ้าสองผืนวางไว้ทั้งบนแล้วก็นุ่งผ้าไปผืนเดียวนะนุ่งไปแล้วก็ถือไม้ไปยาวสักวานหนึ่งไปแล้วก็ไปปักไม้ไว้แล้วก็เดินลงน้ําไปลุยแต่บริณที่มีน้ําก็ก็ถกผ้าสูงขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยน้ําก็สูงขึ้นผ้าก็สูงขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยจนกระทั่งตัวเองก็ย่อตัวลงไปแล้วก็เอาผ้านั้นนะไปแขวนไว้กับไม้ที่ถือไปปักไว้เวลาจะลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาก็สวม ครับเลรียเหมือนกับอผ้าถุงของสุภาพสตรีนั่นแหละนะสวมขึ้นเรียกว่าน้ําขึ้นก็ขึ้นตามน้ําน้ําลดก็ลดตามน้ําย่างนั้นเถอะนี่ใช้แบบนั้นแล้วกลางคืนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเอาผ้านั้นมาผมนอนนุ่งนอนก็ซักตากที่ผืนหนึ่งจับเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละะผ้าสังกติเนี่ยเรียกว่าเอามาเปลี่ยนกันได้เอามาเปลี่ยนกันได้าาไดผ้าสามผืนก็มี สังกติจีวรเสบงนะมีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าผ้าสังกตินี่เราเป็นผ้าสองชั้นนะเป็นผ้าสองชั้นอันนี้ก็เรียกว่าผู้ถืออย่างเพ่งคัดก็ใช้เฉพาะใตจจีวรของตนเท่านั้นนะโดยที่สุดก็จะซักหรือย้อมนะอ่าจะซักหรือย้อมอผ้าหม่มหรือว่าผ้านุ่งก็ผ้าสังกติอนะสามผืน ผู้ถืออย่างกลางก็ย่อมใช้ผ้าสาธารณะเช่นผ้าที่เขามีไว้ในโรงย้อมหรือผ้าสําหรับผลัดย้อมผ้าหมายถึงว่าอย่างกลางก็อาจจะมีผ้าสักเปลี่ยนอีกนะอาจจะมีผ้าสับเปลี่ยนอีกผืนก็มีแสดงว่ามีผื้นที่สี่แต่ผู้ถืออย่างอ่อนๆก็คือย่อมยืมของภิกษุอื่นมาใช้บ้างนะถึงไม่มีก็ไปเอาคนนู้นคนนี้มาใช้ได้บ้างของยืมกันถือวิสาสะคําสมาทานของผู้ถือ เตจีวริกังคาทุดงก็คือจตุฐะจีวรังปฏิกิปามิเตจีวรินะเตจีวริกังคังสมาธิยามิมาแปลว่าเรางดจีวรผืนที่สี่เสียสมาทานองค์ของผู้ถือไอตรจีวรเป็นวัดพูดง่ายๆก็คือว่าขอใช้จีวรเพียงสามผืนเท่านั้นขอใช้ผ้าเพียงสามผืนผืนที่สีไม่เอานี่หมายถึงอย่างนั้นเอง ที่มาในหมวดที่สองก็คือว่าด้วยเรื่องปฏิสังยุทธด้วยบินดบาบัดปฏิสังยุทธด้วยบินดาบัดก็คือหนึ่งบินดาปาติกังคะถือเที่ยวบินดาบาตเป็นวัดถือเที่ยวบินดาบัดเป็นวัดอันนี้ก็หมายความว่าอผู้ที่ถือบินบาบัดเป็นวัดก็ย่อมไม่รับอดิเรกขลากฉันเฉพาะอาหารที่เที่ยวบินดาบัดมาได้หมายความว่า กิจนิมนต์ไปที่อื่นที่เอ اد, ที่เขามาถวายไม่เอาต้องตัวเองต้องเที่ยวบินนบาตถ์ถืออย่างเคร่งชัดก็คือนั่งลงแล้วก็คือปลงใจเลิกบินนบาตถแล้วมีผู้มาใส่อีกก็ไม่รับนมีผู้มาใส่อีกก็ไม่รับถ้าถืออย่างกลางนั่งแล้วก็รับอีกได้นนั่งแล้วก็รับอีกได้ถ้าถืออย่างอ่อนลงมาอีกก็คือเรียกว่ารับนิมนต์หรือว่านัดเพื่อรับบินนบาตถแม้ในวันพรุ่งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่า อย่างเคร่งทัดในเวลากลับไม่รับอย่างกลางในเวลากลับก็รับอย่างอ่อนๆก็จะนิมนต์ไปรับที่ไหนก็ไปได้นคําคสมาทานสําหรับบินดปาติปินดาปาติกังฆาทุดงก็คืออธิเรกลาภังปฏิกิปามิปินดาปาติกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดอธิเรกลาเสียสมาทานองค์ของผู้ถือบิณฑ บ, บาตเป็นวัด มาในข้อที่ 4. สี่สระธานะจาริกังคะถือเที่ยวบินดาบาตไปตามแถวเป็นวัดคือหมายถึงว่าประพฤติวัดเหมือนพิสูผู้ถือบินดาบาตแต่แต่สูงกว่านะแต่สูงกว่าคือหมายถึงว่าเคร่งคลัดกว่าก็คือว่ารับตามแถวอันเดียว เช่นข้างขวามือหรือข้างซ้ายมือไม่รับข้ามแถวหรือในแถวเดียวไม่รับข้ามรายนะส่วนพิสูผู้ถือบินธบาตเป็นวัดก็ยอมรับเข้าแถวอย่างเคร่งครัดก็คือยอมรับบินบาตเฉพาะขาไปขากลับไม่รับผู้ถืออย่างกลางก็รับทั้งขาไปขากลับอผู้ถืออย่างอ่อนก็คือรับทั้งขาไปขากลับแล้วก็รับข้ามแถวด้วยรับข้ามแถวด้วย คำสมาทานก็ได้แก่อโลลุปปจารังปฏิกีปามิสปทานะจาริกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดการเที่ยวโลเลเสียสมาทานองค์ของผู้ถือเที่ยวบินดาบาดไปตามแถวเป็นวัดมาในข้อที่ห้าเอกาสนิกังคะถือนั่งฉันณอาสนะเดียวเป็นวัด เอากาสนิกังคะผู้ถืออเอากาสนิกังคะก็คือว่าถือฉันหน้าที่แห่งเดียวลุกจากที่แล้วไม่ฉันอาหารอีกในวันนั้นโดยความก็คือว่าฉันอาหารพิ้งวันละหนผู้ถืออย่างเคร่งย่อมฉันอาหารในภาชนะเดียวนะหมดแล้วไม่พออิ่มก็ไม่รับอาหารอื่นในวันนั้นผู้ถืออย่างกลางฉันอยู่อาหารในภาชนะนั้นยังไม่หมด มีผู้เอาอาหารมาถวายใส่ในภาชนะนั้นฉันได้อีกผู้ถืออย่างอ่อนก็คือย่อมรับและฉันอาหารได้ตลอดเวลาที่ยังฉันอยู่จนกว่าจะลุกจากที่คำสมาทานสำหรับเอกาสนิกังคธุดงก็คือนานาสนะโพชนังปฏิกิปามิอากาสนิกังคังสมาธิยามิแปลว่า เรางดการฉันต่างอาสนะเสียสมาทานของขององค์ผู้ถือผู้ถือนั่งฉันนาอาสนะเดียวเป็นวัดมาในข้อที่หกก็คือปตตะบินดิตะเรียกว่าปตตะอาบินดิกังคะนะถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัด คือไม่ใช้ภาชนะรองของฉันตั้งแต่สองใบขึ้นไปย่อมฉันจะรอกของในบาศเท่านั้นผู้ถืออย่างเคร่งครัดนะผู้ถืออย่างเคร่งครัดก็ย่อมไม่ทําลายอาหารให้ตกไปในบาศนะไม่ทําลายอาหารนั้นตกไปในบาศเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทิ้งเศษอาหารเว้นไว้แต่ของแข็งฉันไม่ได้เช่นก้างหรือกระดูกเป็นต้นผู้ถืออย่างกลางก็คือ ย่อมทำลายอาหารด้วยมือแต่ไม่ทำลายในบาดนั้นยกขึ้นพ้นบาด ท, ทำลายด้วยมือแล้วฉันผู้ถืออย่างอ่อนก็คือย่อมทำลายอาหารนั้นแม้ในบาดแล้วก็ฉันคําสมาทานสําหรับบินดาบินปัตะบินดิกังฆะทุดงก็คือผู้ติยะภาชนังปฏิกิปามิปัตะบินดิกังคังสมาธิามิแปลว่าเรางดภาชนะที่สองเสียสมาทานองค์ของผู้ถือ การฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดมาในข้อที่เจ็ดลุปัจชาปฏิกังคะถือห้ามพัดอนนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัดอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อลงมือฉันแล้วมีผู้นำมาถวายก็ไม่รับนะก็ไม่รับผู้ถื อ, อย่างเคร่งก็ เมื่อห้ามโภชนะแล้วฉันก้อนข้าวเพียงคำที่ห้ามคือคำที่กําลังฉันอยู่ไม่ฉันก้อนที่สองต่อไปผู้ถื อ, อย่างกลางก็คือห้ามโภชนาะยัางฉันคําที่สองต่อไปได้ผู้ถืออย่างอ่อนก็คือยังไม่ลูกจากอาสนะเพียงใดก็ยังฉันอาหารได้เพียงนั้นคําสมาทานในข้อนี้ก็คืออติริตตโภชนังปฏิคิปามิ ขลุปัจฉาพัตติกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดโภชนะอันเหลือเฟือเสียสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพัดอันนำมัวายเมื่อภายหลังเป็นวัดมาในหมวดที่สามปฏิสังยุทธ์ด้วยเสนาสนะก็คือหนึ่งอารันยิกังค ะ, ะถืออยู่ป่าเป็นวัด ผู้พิสูจน์ผู้ถืออารัยิกังคะนี้ย่อมไปแรมคืนในป่าที่ห่างจากบ้านคนโดยกำหนดที่สุดคือห้าร้อยชั่วธนูหรือยี่สิบห้าเส้นตามทางเดินโดยปกติผู้ถืออย่างเคร่งย่อมอยังอรุณให้ตั้งขึ้นในป่าคือในให้สว่างในป่าก่อนแล้วจึงเข้าชายบ้านตลอดการเป็นนิดผู้ถืออย่างกลางตลอดฤดูฝนสี่เดือนก็อยู่ใกล้บ้านได้ ผู้ถื อ, อยังอ่อนตลอดฤดูฝนฤดูหนาวอยู่ใกล้บ้านก็ได้สำหรับคำสมาทานเกี่ยวกับอารัญญิกะยิกังคัตุดมก็คือคามันตะเสนาสนังปฏิคิปามิอารัญญิกังคังสมาธิยามิแปลว่างดเสนาสนะใช้บ้านเสียสมาทานองค์แห่งผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมาในข้อที่เก้าลุกขมูลิกังคังลกขมูลิกังคังผู้ถือโคนไม้เป็นวัด อผู้ถือโคนไม้เป็นวัดที่สุผู้ถือออรุคะมูลิกังคังเป็นประเภทของทิ่สุผู้ถืออารันิกังคะนั้นไม่ทํากุติย่อมอยู่ตามโคนไม้เป็นต้นผู้ถืออย่างแข่งก็คือไม่เลือกถือเอาต้นไม้ตามใจชอบและไม่ให้ใครกวาดให้ใช้เท้ากวาดใบไม้ร่วงด้วยตนเองผู้ถืออย่างกลางย่อม ให้คนอื่นซึ่งเป็นพวกเดียวกันผู้มาถึงที่ช่วยชำระปัดกวาดให้ได้ผู้ถืออย่างอ่อนก็คือย่อมใช้คนผู้ทํากิจให้ช่วยชำระปัดกวาดแล้วก็ให้กั้นรู้ว่าเป็นเครื่องป้องกันได้คําสมาทานในรุขโมลิกังคตุดงก็คือฉันนังปฏิกิปามิรุขโมลิกังคังสมาธิยามิแปลว่าเรางดที่ มุงที่บางเสียสมาทานของผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดมาในข้อที่สิบอัพโพกาสิกังคะอถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดก็หมายความว่าที่สุผู้ถืออรันยิ่งกับกังคะก็เหมือนกันแม้ตามโคนไม้ก็ไม่อยู่ย่อมอยู่ในที่แจ้งแจ้งที่เข้าใจว่ า, าเที่ยวหลบ แดดอยู่ตามเงาแห่งภูเขาชายไม้เป็นต้นผู้ถืออยางเคร่งครัดย่อมอยู่ในที่แจ้งจริงๆไม่อาศัยอยู่ตามเงาภูเขาและก็ต้นไม้ผู้ถืออยางกลางก็ย่อมอาศัยเงาแห่งต้นไม้และภูเขาเป็นต้นผู้ถืออยางอ่อนก็เข้าไปอาศัยตามกระท่อมร้างที่เจ้าของเขาทอดทิ้งแล้วที่เจ้าของเขาทอดทิ้งแล้ว องเก้านะในองเก้ากับองคสิบนี้ถือได้เฉพาะการเท่านั้นนะเพราะในพรรษาจำต้องถือเสษาธนะาตามวินัยนิยมนะตามวินัยนิยมนะองสิบนะองเก้ากับองสิบในคำสมาทานอัพโภกาสิกังฆทุดงก็คือชันนันจะลุคมูลันจะปฏิกิปามิอัพโภกาสิกั ง, งกคันนส ง, งสมาธิามิ แปลว่าเรางดที่มุงที่บังและโคนไม้เสียสมาทานของผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดมาในข้อสิบเอ็ดก็คือโสสานิคังคะถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดพิสุผู้ถือโสสานิคังคะนี้ย่อมอยู่แรมคืนในป่าช้าผู้ถืออย่างเคร่งครัดก็คือย่อมอยู่ในป่าช้าที่เขานำศพมาเผาหรือฝังตลอดการเป็นนิผู้ถืออย่างกลางก็คือย่อมอยู่ในป่าช้าเช่นนั้น เป็นบางคราวบางสมัยผู้ถืออย่างเพลาก็ย่อมอยู่ในป่าช้าที่เขาเลิกร้างไปแล้วแต่ยังไม่ถึง12ปีพอเข้าลักษณะว่าเป็นป่าช้าคำสมาทานของโสสานิกังขถุดงก็คืออัฏสานังปฏิกิปามิโสสานิกังคังสมาธิามิแปลว่าเรางดที่มีใช้ป่าช้าเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัด มาในข้อที่สิบสองยถาสันถติกังคะถือการอยู่ในเ ส, เสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรอันนี้ก็หมายความว่าพิสูผู้ถือยถาสันถติกังคะย่อมไม่ทําความอะไรในเสนาสนะที่อยู่อันเป็นที่สบายถูกใจได้เสนาสนะไม่เป็นที่สบายไม่ถูกใจก็ไม่สแสวงหาเสนาสนะอื่น พิสุผู้เป็นอาเสนาสนะประกะย่อมอยู่ณเสนาสนะนั้นแม้ถูกย้ายเสนาสนะในฤดูกาลก็ย่อมไม่ขัดขืนผู้ถืออย่างเคร่งครัดย่อมสุดแล้วแต่เสนาสนะที่เขาจะจัดหาให้อย่างไรก็ไม่ปริปากถาม ถ, ามถึงเสนาสนะนั้นผู้ถืออย่างกลางย่อมถามถึงเสนาสนะว่าอยู่ใกล้หรือไกลเท่าใด ผู้ถืออย่างอ่อนก็เมื่อได้เสนาสนะไม่พอใจก็ขอเปลี่ยนเสนาสนะอันเป็นที่สบายก็ได้คําสมาทานของยถาสันติกังขะทุดงก็คือเสนาสนะโลลุ ป, ปังปฏิกิปามิยถาสันติกังคังสมาธิยามิแปลว่ารางดความโลเลในเสนาสนะเสียสมาทานองค์ของผู้อยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไร มาในหมดที่สี่ไปสังยุตด้วยความเพียรคือวิริยะก็คือข้อสิบสามนะเนสัตธิกังคะถือการนั่งเป็นวัดนะถือการนั่งเป็นวัดเนสัตธิกังคะทุดงนี้ก็คือพิสุผู้ถือเนสัตธิกังคะทุดงนี้ย่อมไม่เอนไม่นอนสำงรวมอิบทเพียงสามคือนั่งยืนและเดินเท่านั้น ผู้ถืออย่างเคร่งครัดย่อมไม่พิงหลังกับของอย่างอื่นมีพนักเป็นต้นผู้ถืออย่างกลางย่อมพิงของเช่นนั้นได้ในบางครั้งบางคราวผู้ถืออย่างเปลาก็แม้จะนั่งพิงอาพนักหมอนอิงหรือว่าเตียงสี่เหลี่ยมประกอบด้วยองค์ห้าและก็องค์เจ็ดก็ได้คำสมาทานสำหรับเนสัตถิกังคตุดงก็คือสยยังปฏิกิปามิ เนสั์ชินังคังสมาธิยามิแต่ว่าเรางดการนอนเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัดนี่ก็เป็นเรื่องของทุดงสิบสามซึ่งก็ในแสดงโดยละเอียดแล้วก็พูดถึงคำอธิษฐานของแต่ละข้อละข้อด้วยฉะนั้นเราจะเห็นว่าพิสุผู้ที่ต้องเดินหาทุดงนี้ก็ ต้องลําบากมากถ้าพูดว่าลําบากมากสมัยนี้ก็เราจะเห็นในสภาพอย่างนี้หายากนโดยมากก็ไปทุ่ดงโดยรถทัวทนะรถถ์วกันบ้างนรถทัวร์กันบ้างไปกันอย่างสะดวกสบายนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตดตั้งแต่บาททุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายไปหมดนะไม่ลําบากไม่เหมือนกับในสมัยก่อน สมัยก่อนนั้นรู้สึกว่าลำบากมากและการถือตุ ด, ดวงก็เคร่งคัดมากนะเคร่งคัดมากนี่แหละเราจะเห็นว่ า, าศาสนาของเรานั้นะจะเจริญขึ้นหรือว่าเสื่อมขึ้นก็อยู่ที่บริษัททั้งสี่พิสุภิษุณีบาศกบาศิกาถ้าหากว่ายังบริษัททั้งสี่ยังตั้งใจศึกษาในด้านประยัดปฏิบัติ อ, อยู่ก็แน่นอนที่สุดสาศาสนาก็จะเจริญได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาประยัดปฏิบัติปฏิเวศกันแล้ว ศา ส, สนาของเราก็คงจเจริญหรือไม่อยู่ไม่ยืนยาวต่อไปอีกได้ฉะนั้นเราก็จะต้องมันศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเฉพาะในข้อทุดตรงนี้สำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุสามนเณรบวชแล้วก็ควรจะมีการแสวงหาหรือว่าควรจะปฏิบัติกันบ้างะจะไม่เสียชีวิตในการที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์เณร เกี่ยวกับเรื่องทู ด, ดงเพราะเราจะได้ประสบการณ์และก็ได้คุณธรรมที่ดีงาที่ดีมากฉะนั้นถ้ายะมีคำถามว่าทู ด, ดงเป็นอาวัตริยาพิเศษประการหนึ่งที่ท่านบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เราก็ตอบว่าเพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลสและก็เป็นไปเพื่อความมรกน้อยสันโดษ หรือจะถามว่าในพิสุผู้ถือทุดงทุกประเภทประเภทไหนถือได้ไม่มีกําหนดการประเภทไหนมีกําหนดการเพราะการอะไรเราก็แก้ว่าพิสุผู้ถือรุกขมูลิกังคะกับอัโปโภกาสิกังคะสองประเภทนี้ถือได้เฉพาะการาภาษาเท่านั้นเฉพา ะ, าะเฉพาะนอกการปรรษาเพราะในภรษาต้องถือเสนาธนะตามพระวินัย นอกนั้นถือได้ไม่มีกำหนดการเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการถือเสนาสนะถ้าจาถามว่าหากวิสูผู้อุปสมบทใหม่มีศรัทธาจะสมาทานปังสุกูลิกังขะทุดงในบัตรนั้นจะยอมให้เธอสมาทานได้หรือหรือจะต้องอยู่จนหาภาพบังสุกูลมาทํไตรจยยีวรครบแล้วอันนี้ก็แก้ว่าตั้งแต่วิสูนั้นอุปสมบทแล้ว ไม่รับจีวรจากครือหัอดีก็ยอมให้อภิสูจนั้นสมาทานเพราะใรจีวรของผู้ผสมบทใหม่นั้นไม่จัดเป็นจีวรที่รับมาจากครหัดีเป็นของอุปชามอบให้ก็จัดเป็นสมณะจีวรต่างหากหรือถ้าจะถามว่าทวดงสิบสามในทุดงสิบสามคนหนึ่งจะสมาทานถือพร้อมกัน ได้อย่างมากเพียงเท่าไหร่นะอะไรบ้างเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าจะสมาทานทุดงอย่างมากพร้อมกันเพียงสิบเอ็ดอย่างคือปฏิสังยุตด้วยบินตบาททั้งห้าไปสังยุตด้วยความเพียรทั้งเจ็ดอ่าแต่ที่ไปสังยุตด้วยเสยนาสนะทั้งห้านั้นได้เพียงสามคืออยู่ป่าอยู่ป่าชา้าอยู่โคนไม้อาจจแสวงหา ให้ไม่ขัดกันได้อีกสองอย่างคืออยู่ในที่แจ้งและอยู่ในเสนาสนะอันที่ท่านแสดงให้อย่างไรก็ขัดกันอย่างอื่นนะขัดกับอย่างอื่นหรือถ้าจะถามว่าจงแสดงอาการของพิสุผู้สมาทานอารัน ญ, ญิกะทูดงมาดูพร้อมกับคําสมาทานด้วยอันนี้เราก็แก้ว่าพิสุผู้ถืออารันยิกะทูดงย่อมไม่อยู่แรงคืนในบ้าน อยู่เฉพาะแต่ในป่าอย่างเดียวโดยกำหนดที่ไกลาจากบ้านประมาณห้าร้อยชั่วทนูคือยี่้าเส้นตามทางเดินปกติของคนคำสมาทานก็คือคามันตะเสนาสนังปฏิกิปามิอารัญจิกังคังสมาธิยามิอ่านี่ก็เป็นเรื่องของอ่าทุดงสิบสามก็คิดว่าพอเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจอ่าในม ก็พอจะจับเป็นแนวทางเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติหรือประกอบการเรียนการศึกษาได้การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทูตดงสิบสามมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีดโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่สิบห้าว่าด้วยเรื่องจรณะสิบห้า ประการแรกขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าจรณะเสียก่อนคำว่าจรณนะได้แก่ปฏิปทาคือทางเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงวิชาเช่นมักมีองแปดเป็นทางเครื่องดำเนินให้บรรลุอริยสัจสี่หรือว่าฌานสี่เป็นทางเครื่องให้บรรลุวิชาสาม วิชาเบื้องต้นนะวิชาสามเบื้องต้นเป็นเป็นทางเครื่องให้บรรลุวิช า, าเบื้องปลายมีสิบหประการนะในหมว ด, ดที่หนึ่งในหมวดที่หนึ่งในหมวดที่หนึ่งก็คือหนึ่งศีละสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล ความถึงพร้อมด้วยศีลได้แก่ความสำรวมในพระปราติโมกและความถึงพร้อมด้วยอาจาระแล้วก็โคจระเป็นผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อความผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่กล้าล่วงละเมิดเป็นผู้สมาทานศึกษาอยู่ในศิขาบทเหล่านั้นเนืองนิดนะอย่างนี้เรียกว่าศีลสัมประทา ในข้อสองอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมกูกเลนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเลนลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆ คือไม่ให้อิทธารมและอนิธารมคือหมายถึงว่าไม่ให้อารมณ์ที่ตนปรารถนาและอารมณ์ที่ตนไม่ปรารถนาครอบงำจิตใจได้ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรกิกลิ่นลิมรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆทําใจให้เป็นกลางๆทาใจให้เป็นกลางๆเราก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจ มาในข้อที่สามในข้อที่สามก็คือโภชเนมัตตัญ e ยุตารู้ความพอดีในการกินอาหารคือได้แก่ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคคือหมายถึงว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคแต่พอเหมาะพอควร ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือถ้ามากเกินไปก็จะทำให้อึดอัดถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้หิวกระหายบริโภคเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้คนเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือมักจะกินตามใจชอบ กินตามใจชอบเราไม่ได้กินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเรากินกันด้วยกิเลสตัณหาก็เกิดความหายนะเกิดความยากจนในการดำรงชีวิตได้และบางครั้งเราก็กินอาหารเพื่อความก่หรูเพื่อเกียรติตามคานิยมของสังคมทั้งๆ้งที่ว่าอาหารนั้นถ้าเราจะซื้อมาทำกินเองก็ลงทุนเพียงนิดหน่อย อ่าสิ บ, บาทยี่สิ บ, บาทก็กินได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเขากินแล้วรู้สึกว่าบางครั้งยี่สบามสิบาทต่อจานเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงมากนะแพงมากแล้วทานแล้วก็อิ่มเท่ากันคุณค่าก็ไม่ได้แตกต่างไปกว่าที่เราทําอ่าฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักบริโภคอาหารนะโดยเฉพาะตัวเราก็พยายามบริโภคมันพอเหมาะพอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปก็จะทําให้เรานั้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มาในข้อที่สี่ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่คือได้แก่ความหมั่นพยายามไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเกินไปทั้งไม่ยอมให้ความง่วงเหงาความซบเซาเข้าครอบงำตั้งหน้าประกอบความเพียรทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากนิวรธรรมทั้งห้า จะหมายความว่าคนเราโดยมากขาดความเพียรนะขาดความเพียรคือเป็นคนเห็นแก่ ก, การกินการนอนมากเกินไปคนเราเมื่อมีการนอนมากมันก็เสียการงานนะเสียการงานเมื่อเสียการงานแล้วคุณธรรมต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นทำให้เรากลายเป็นคนขี้เศรหาง่วงเหงาเหานอนถูกนิวนรณ์ครอบงำก็คือ เรียกว่าตั้งแต่ทีนามิตะเนะี่ยครอบงำก็ทำให้ง่วงเหงาหานอนคนเราเมื่อเกิดความง่วงเหงาเหานอนแล้วก็หมดโอกาสที่จะประกอบอความเพียรให้สำเร็จประโยชน์ได้หรือว่าจะบาเพ็ญสมณะธรรมเพื่อทำกิจใจให้บริสุทธิ์สะอาดก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เพราะถูกนิวรธรรมครอบงำฉะนั้นเราจะต้อง ประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาขยันอยู่ตลอดกาลไม่ว่าเราจะดารงอาชีพอยู่ในลักษณะอันใดเป็นาชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือเป็นพ่อค้าเป็นเกษตรกรหรือเป็นกรรมกรเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ก็จะต้องมีความเพียรมีความขยันอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจริญรุ่งเรือง อันนี้ก็เป็นเป็นหมวดที่หนึ่งนะเป็นหมวดที่หนึ่งมีอยู่สี่ข้อนี้มาในหมวดที่สองนะสัตวธทําเจ็ดนะในหมวดที่สองนะี่สัตวธทําเจ็ดสัตวธทําเจ็ดก็ได้แก่ข้อห้าความเชื่อความเชื่อในที่นี้ก็คือตัวศรัทธา ตัวศรัทธาคือความเชื่อหมายเอาความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาคือพิจารณาดูตามเหตุผลให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเชื่อไม่ใช่ศัก์แต่ว่าเชื่อตามเขาแต่ความเชื่อที่พ้นจากความงมงายนั้นท่านจัดไว้เป็นสี่คือหนึ่งกรรมศรัทธาเชื่อกรำรเชื่อว่าคนเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำ อยู่ที่การกระทำสองวิปากสัตธาเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วสามกรรมมสกตาสัตธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอย่างไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นเราทำกรรมเองก็ย่อมเดือดร้อนเองเราไม่ทำกรรมเองก็ย่อมบริสุทธ์เอง สุติอสุทธิปัจจัตังความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันเป็นของเฉพาะตัวใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นสีตถาคตโพธิสัต t h เชื่อพระปรีชายานของพระตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้ตัดสุรูเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆทั้งสี่อย่างนี่แหละเป็นหลักเกณฑ์ของความเชื่อที่ถูกต้องนะ แต่ทุกวันนี้พวกเราเชื่อกันงมงายขาดหลักในสี่ประการนะขาดหลักสี่ประการเราจึงต้องมีความทุกความเดือดร้อนบางคนก็เชื่อแบบงมงายอย่างนี้ก็จึงถูกเขาหลอกนะถูกเขาหลอกถูกเขาต้มนะถูกเขาต้มหรือบางทีก็ทําทให้หลงงมงายไปเช่นว่าถูกเขาหลอกไปเล่นการพนันบ้างถูกเขาหลอกไปที่ร่อนบ้างหรือว่าโทรเขาให้ไป หาหมอดูหรือว่าไปหาพระอาจารย์ดังอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ถูกหลอกสารพัดเลยว่างั้นเถอะนะถูกหลอกต้มบางคนก็หมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวอ่าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในครอบครัวอีกด้วยเนีข้อที่หกก็คือหิริความละอายได้แก่ความละอายต่อการประพฤติทุจริตทั้งทางกายวาจาและใจทั้งในที่รับและในที่แจ้ง มีความสยขยะสยแข็งต่อบาปทำที่มีความกระดากใจในการประพฤติพุจริตคือหมายความว่าคนที่มีความละอายนี่ถ้าถ้าใครจะมาชักชวนให้ทําทุจริศจะรู้สึกว่ายขยะขยแข็งรู้สึกว่ามีความกระดักใจนะความกระดักใจก็เหมือนอสตรีที่อรักความสวยความงามรักความสะอาดก็ย่อมขยะขยแขงต่อสิ่ง สกปกโสโครกฉะนั้นมาในข้อที่เจ็ดโอตัปะความเกรงกลัวได้แก่ความเกรงกลัวต่อความผิดศีลธรรมมีความหวาดสะดุ้งต่อความผิดแม้มีประมาณน้อยก็ไม่กล้าทําเพราะความเกรงกลัวอันนี้ก็เหมือนกับคนกลัวยาพิษแม้จะหยด ลงไปในตมน้ำสักจดหนึ่งก็กลัวว่าเด่มเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายนะเมไปแล้วจะเป็นอันตรายอย่างนี้เรียกว่ามีความกลัวเหมือนกับคนกลัวอสารพิษแล้วก็หลีกทางให้ไกลเหมือนกับพ่อค้าที่หลีกทางขุขระเว้นทางขุขระไปหาทางที่เรียบฉะนั้นมาในข้อที่แปดพาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ฟังมากในขีความเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมามากคือเป็นผู้คงแก่เรียนแต่ภูษะในพระธรรมในนี้หมายเอาผู้ทรงจำพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกไว้ได้มากในสมัยพุทธกาลก็ได้แก่พระอานนท์มาพุทธอุปถามถือว่าเป็นผู้ที่ คงแก่เรียนและก็เป็นผู้เป็นผู้ที่อทรงจําไว้มากนะเพราะว่าได้ขอพอรจากพระพุทธเจ้าไว้ได้ว่าถ้าหากพระองค์ได้ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอให้พระองค์ได้มาโปรดอบอกอกับพระอานุนทุกทุกครั้งฉะนั้นตั้งแต่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระพุทธศาสนามาสี่สิบห้าปีจะแสดงธรรมแก่ใครที่ไหนเมื่อไร พระอานนท์ก็ต้องรู้หมดทุกครั้งรู้หมดทุกครั้งฉะนั้นในตอนทำสังขยาอาพระอานนท์จึงได้ทําหน้าที่ในการที่จะวิสัชนาหรือว่าแก้เกี่ยวกับเรื่องอพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกฉะนั้นอผู้ที่คงแก่เรียนก็แน่นอนที่สุดอก็คือคนที่ฟังมามาก เรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนีสัยเกิดจากการสังเกตการจดจำนะนั้นคนที่ทรงจำพระพุทธค์คือพระไตรวิตรไว้ได้ก็ต้องเป็นคนอ่านมากอ่านมากฟังมากเรียนมากจึงจะจดจําได้มากถ้าไม่ฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสแล้วก็ต้องอ่านไว้บ่อยๆด้วยจึงจะจําได้ อันนี้ก็ได้เคยสอนให้นักเรียนได้ท่องเป็นบทว่าจำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำมาในข้อที่เก้าวิริยะคือความเพียรได้แก่การบากบันกระทำความเพียรไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลำบากสามารถปันฝ่าอุปสรรคจนกว่ากิจการงานของตนสำเร็จผลแม้ในการศึกษา เมื่อรู้ว่าวิชาที่ตนได้นี้ยังต่ำอยู่ก็จะต้องพยายามภาคเพียนให้สูงขึ้นไปอีกบุญกุศลที่ยังไม่มีก็ให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ดังนี้เรียกว่าวิริยะคือความเพียนคือหมายความว่าให้เราทุกคนนั้นมีความบากบันมีความบากบันมีความขยันในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้น นสูงยิ่งยิ่งขึ้นพูดง่ายๆความเพียรในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องแต่การเรียนการศึกษาอย่างเดียวเพียรในการทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ย่นย่อท้อถอยต่อความทุกข์ยากความลําบากโดยไม่ย่นย่อท้อถอยต่อความเย็นหนาวร้อนของดินฟ้าอากาศหรือลมฟ้าอากาศไม่ย่นย่อท้อถอยต่อ อุปสรรคคือความเจ็บปวดป่วยไขน้นนี้เราจะต้องมีความเพียรคนถ้ามีความเพียรเสร็จแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐา น, นะอะไรตำแหน่งอันใดถ้าเพียรในทางที่ชอบที่ถูกที่ควรแล้วประโยชน์เกิดขึ้นมากประโยชน์เกิดขึ้นมากถ้าว่าเป็นคารวาสาเป็นผู้หญิงผู้ชายจะทํากิจการอันไดถ้ามีความเพียรแล้วก็ย่อมจะร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติมากมีความรู้มาก พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าอุทธาตาวินทเตทะนังคนขยันย่อมหาทรัพได้คนถ้าี้เกียจแล้วหาทรัพไม่ได้ทรัพไม่เกิดขึ้นการเล่าเรียนการศึกษาวิชาการทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องอาศัยความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรในการดูตำรับตำราไม่มีความเพียรในการทำกิจกรรมการบ้าน แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีความรู้แล้วก็เราก็จะเรียนไปไม่ไกลเรียนไปไม่สูงฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าวิริเยณนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรจะสอบได้ก็เพราะความเพียรจนกระทั่งที่สุดแม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเพื่ อ, อต้องการที่จะขัดเกลากิเลสอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปเราก็จะต้องอาศัยความเพียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสมถวิปัสสนาอุปกรณ์สําคัญก็คือข้อแรกอาตาปีจะต้องมีความเพียรสติมาก็คือต้องมีสติสัมปชันสัมปชาโนก็คือต้องมีสัมปชัญญะนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญถ้ า, ากว่าขาดความเพียรแล้วเราก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแน่พระพุทธองค์อาศัยความเพียรเท่านั้นที่จึงได้สามารถที่จะทําลายกิเลส อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปฉะนั้นความเพียรนี่แหละถือว่าเป็นกำลังอันสาคัญในการที่จะบกบันไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้มาในข้อที่สิบก็คือสติความระลึกได้ได้แก่ความไม่ประมาทไม่ปล่อยตนของตนเสียทีเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้แสวงหาบุญกุศล ไม่ปล่อยใจให้หลงยุ่งไปในอารมณ์ของโลกเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ก็มีความสังวรมีความระวังมีความสังวรมีความระวังคือหมายถึงว่าสังวรระวังตัวอยู่เสมอให้มีความเจริญขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่เสมอคืออันนี้ก็ถือว่าสำคัญคนเราถ้ามีความระลึกได้ก็คือคนที่ไม่ประมาท คนที่ไม่ประมาทเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าประมาโทโฮมัจุโนโประังความประมาทเป็นหน้นทางแห่งความตายก็หมายถึงว่าคนที่ไม่มีสติคนที่ขาดสตินะั่นคือคนประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายอะตายจากคุณงามความดีออไม่มีได้ไม่ได้มีคุณงามความดีติดเนื้อติดตัวติดใจอะไรนะเพราะว่าทําอะไรก็ปล่อยจิตลอยใจนะปล่อยจิตปลอยใจ ไม่เล่าเรียนศึกษาไม่ทํากิจการงานไม่ปฏิบัติธรรมนะอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรนะไม่มีความหมายไม่มีคุณงามความดีอะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะคอยระลึกติดต่อง่ายว่าขณะนี้เราเป็นอะไรอยู่ในฐานะอะไรเราทํางานอะไรแล้วก็พยายามทําตามหน้าที่ของเราอย่างนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนที่สุด เราก็จะสําเร็จในสิ่งที่เราเมงมาปรา ร, า, ารถนาโดยเฉพาะสัมมาสติก็คือเลิศชอบไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรคนเราถ้ามีสติแต่อย่างเดียวก็เท่ากับว่าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะทั้งหมดเพราะว่าอคนเรามีสติก็เท่ากับว่าปฏิบัติธรรมตามคําลังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะทั้งหมดเลย เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามีสติไม่ประมาทเราก็จะแสวงหาบุญทานการกุศลนะะก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดสติเราก็จะหลงยุ่งไปในอารมณ์ของโลกพ่าจะทำให้เรานั้นติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดการสัมผัสนะะอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความายุ่งยากหรือเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ความเดือดร้อน ทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่าสติโลกัตถมิชาคารโสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกคนไหนมีสติคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ในโลกนะไม่หลงไม่มัวไม่เมาก็จะเป็นผู้เจริญอยู่ทุกอียะบทนะมีสติทุกอียะบทตั้งแต่ยืนเดนินนอนนั่งดื่มทาพูดคิดก็มีสติ ตาดูหูฟังจมูกกลมเนลิ่นลิ้มรสคายถูกต้องทั้งปัจจัยนึกคิดในอารมณ์ต่างๆก็มีสตินะจะเหยียดขาเข้าคู่อาจจะเหยียดขาออกคู่ขาเข้ากว่ามีสติเหยียดแขนออกอคู่งอแขนเข้ากว่ามีสติทุกอิจฉาหมเลยอย่างนี้แหละเราจะมีแต่ความเจริญนุ่งเรืองมาในข้อที่สิบเอ็ดก็คือปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้นะความรอบรู้ ได้แก่ความรอบรู้รู้แจ้งชัดอย่งทราบเหตุและผลโดยละเอียดถีท่วนแต่ทางเกิดของปัญญามีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งสุตตมายปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังกินตะมายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมทําให้มีขึ้นสมยัยพระพุทธองค์สมัยพุทธกาลนั้น สาวกของพระพุทธองค์ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการฟังเป็นจํานวนมากนะฟังเป็นจํานวนมากแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไปคิดนะประพฤติธปฏิบัติก็ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมากแต่สมัยนี้ฟังแล้วไม่ค่อยได้บรรลุนะฟังแล้วกลับมุทะลุกันซะส่วนมากนะก็เพราะไม่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วบางที ก, ก็ตําหนิผู้สแสดงธรรมนะตาหนิผู้บรรยายธรรมเสอีก นะก็เลยจึงไม่บรรลุมีแต่มุทะลุอย่างเดียวนะี่ฟังแล้วก็ต้องรู้จักคิดนะคิดในทางที่ถูกที่ควรคิดในทางที่ดีที่งามนะคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญาก็เกิดยิ่งไปกว่า น, นั้นเราต้องรู้จักอบรมบ่มในิสัยอบให้มันดนะีรมให้มันสุกนะให้มันสุกเมื่อมันสุกแล้วอบก็มันมีกลิ่นหอมกลิ่นของความดีมันก็หอมระจรกระจายไป การที่เราจะอบรมภาวนามันก็มีตั้งแต่สมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาก็คือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานนะก็หมายถึงว่าทำอุบายจิตใจให้สงบอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ทำจิตอ่าเป็นอุบายทําให้เกิดปัญญามเมื่อจิตใจของเราสงบแน่นอนที่สุดใจของเราก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของสภาวธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่าง บรรดามีในในสรรพโลกนี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะฉะนั้นตัวปัญญาปัญญานี่แหละเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดพกตัดชาติเป็นตัวตัดกิเลสตัดตัณหานะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า ปัญญาโลกัตสมิชาคารโออ่ปัญญาโลกัตสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีน่ะเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญายะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาน่ะไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นน่ะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอ่ะคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ ย่อมหาทรัพได้คนมีปัญญาด้อมดำรงชีวิตด้วยความผาสุขคนมีปัญญาถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์เขาก็ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนอย่างไม่เดือดร้อนฉะนั้นขอให้เราทุกคนก็จงเป็นผู้สร้างปัญญากันให้มากฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเรียนการศึกษาการสังเกตการจดจําการฟังการคิดการอดร้มบ่มนิสัยอย่างนี้แหละฉะนั้นขอให้เราจงมา พาการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะมีเราก็จะไม่โง่อจะไม่โง่ไม่หลงไหลอไม่ถูกเขาหลอกออย่างนองนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นหมวดที่สองทีนี้มาในหมวดที่สามเกี่ยวกับรูปประฌานสี่ในหมวดที่สามก็คือรูปประฌานสี่อรูปประฌานสี่ก็คือในข้อที่สิบสองก็คือปฐมฌานฌานที่หนึ่ง ชานที่หนึ่งที่ชาญที่หนึ่งก็คือปฐมชาญได้แก่การเพ่งวัตถุเป็นอารมณ์แห่งยานจนจิตแน่วแน่เป็นอั ป, ปนาสมาธิเรียกว่าชาญชาญนี้มีองค์ห้าคือยังมีวิตกความตรกมีวิจารคือความตรองมีปิติคือความอิ่มใจแล้วก็มีสุข คือความสบายใจและก็มีเอกักคตาความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นเลิศเป็นอันหนึ่งอันเดียวมาในข้อที่สามทุติยฌานคือฌานที่สองมีองค์สามคือวิตกวิจารหมายถึงว่าละวิตกวิจารเสียได้คงเหลือแต่ปิติสุขเอกักคตา มาในข้อที่สิบสี่ตติยะฌานคือฌานคือฌานที่สามนะฌานที่สามมีองค์สองคือละพิติเสียคงเหลือแต่ศกกับเอกคตามาในข้อที่สิบห้าจะตุกฌานคือฌานที่สี่ฌานที่สี่นี่มีองค์สองคือเอกคตากับอุเบกขาความวางเฉยนะความวางเฉย ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของฌานนะเป็นเรื่องของรูปฌานฉะนั้นฌานที่เกิดคําว่าฌานนี้แต่ว่าการเพ่งนยเพ่งรูปอาจจะเพ่งกระสินก็ได้เนะเพ่งกระสินสิบก็ได้หรือเพ่งตั้งแต่กระสินสิบภูตะกรสินก็คือเพ่งดินน้ำไฟลมหรือจะเพ่งนี้แล้วก็ะสินพวกสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เพ่งเพ่งจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิก็คือว่าเอถึง ที่สมาธิที่แน่วแน่นอัปนาสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าจนจิตแน่วแน่นอ่าตอนนี้อจิตจะปราบนิวรณ์อนอุปกิเลสทั้งห้าได้จิตที่ถึงอัปนาสมาธินี่หมายถึงว่าสงบจากนิวรณ์อนอุปกิเลสทั้งห้าคือไม่มีการมาฉันทะความพอใจในการไม่มีพยาบาทไม่มีทินมิตทะความห่วงเหงาเหานอนไม่มี ธธกุตจักกูตจักความกุ้งสั่นลำคาญใจไม่มีวิจิกิจชา้าความลังเลสงสัยเหล่านี้หมดไปเนี่ยเมื่อหมดไปเนี่ยได้ถึงอัปนาสมาธิแล้วก็ฌานก็เกิดเนี่ยฌานก็เกิดทีนี้ถ้ายังมีปัญหาถามว่าในเจรณะอ่าหมวดที่หนึ่งในเจรณะหมวดที่หนึ่งกล่าวถึงทำสี่ข้อในทำสี่ข้อนี้นอกจากจะเรียกว่าเจรณะแล้วจะเรียก อย่างไรได้อีกเพราะเหตุไรใดนะเราก็แก้ว่าเรียกว่าเสกขปฏิปทาได้อีกคือหมายถึงว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ยังต้องศึกษาอยู่นะเพราะเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะบุคคลอนะเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะบุคคลตั้งแต่สีและสมบัติทาถึงพร้อมด้วย C, สีอนิ 6, ทนทรีย์ทั้งวรสบรวมอินทรีหกราโพจเนมัตตัญญาต า, ตาความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร อาชาชากริยานุโยคประกอบความเพียนของบุคคลอของบุคคลผู้เตือนอยู่อปร ะ, ะกอบความเพียนของบุคคลผู้เตือนอยู่ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นอเป็ น, เ ป, นเป็นปฏิปทาของทระเสขบุคคลทั้งสี่ทําทั้งสี่อย่างนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ได้โสดาบันสกิทาคา อ, อนาคาแล้วก็ ภระยทั้งสามนี้เรียกว่าพระเสกขบุคคลพระอรหันต์เรียกว่าพระเสกขบุคคลสามัญธรรมดานะเรียกว่าคนสามัญธรรมดาที่ศึกษาบ้างไม่ศึกษาบ้างก็เรียกว่าเนวเสกขานาเสกขบุคคลหรือจะเรียกว่ากัลยาณชนก็พอได้กัลยาณชนก็พอได้หรือถ้าจะถามว่า ในหมวดที่สองนะในหมวดที่สองก็ในหมวดที่สองว่าได้เรื่องสัจธรรมเจ็ดตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อฮีริความละอายฮีริความละอายแก่ใจโอตตะปะความเกรงกลัวภูทรจักความเป็นผู้ได้ฟังมามากการศึกษามากวิริยะความเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้เนี่ยในหมวดที่สองแห่งจรณนะธรรมคืออะไรบ้างอ่าก็ว่าไปแล้วเหตุใดจึงเรียกสัจธรรมเจ็ดอ่า เราบอกคือศรัท ธ, ธาความเชื่ออิทธิความละอายแก่ใจโอตตะปะความเกรงกลัวฟาหุสัจจะความเป็นผู้ใดฟังมากหรือผูุคงแก่เรียนปริยะความเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้เพราะผู้ที่เรียกว่าสัตบุรุษนั้นต้องมีธรรมเจ็ดประการนี้เสียก่อนถ้ายังขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียในธรรมเจ็ดประการนี้ก็ไม่เรียกว่าสัตบุรุษไม่เรียกว่าสัตบุรุษ นี่ก็เป็นการบรรยายเรื่องเจรณะสิบห้าก็คิดว่าพอสมควรกับเวลานะพอสมควรกับเวลาแล้วก็จบในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทรบริสุทธิ์บริบูรณ์เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร